พระธรรมเทศนาจากปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแป้คำผูกติ่ีเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยปออินสมชัยชมพูป ร, รียนธรรมกปรยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงอโม ตสภากวตออาโตสมาสัมพุทธัสสะเตปะนาุมารามริณตานันตานุจิตธาเนนาอุปาปจิงสุต สาธโมดุราสาปุริตตั้งลาลตั้งยิง่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟพาสรงอาจินจงไขาาพากหนีปนจากทรงสารถึงดิ ป, ปันสุดยอดหมดเสียงขอดเครื่องกาบอจาระแก่เท่าสุขเตียงเต้าเป็นนิรัน จิงปากันมวลหมูมาพร้อมอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวเตปณนะกุมมาราดังนี้เป็นตนบัตหนีแด่เตอ เอปานกุมมารส่วนหากุมารปีน้องเป่าลงต้องนาตีเอากายะาอินทีตัวเกาหือตานแกเต่าปูป้า ตั้งสัตนานาะมวนโมกาอันโยวังทานด้วยภาลตานนั่นใส่ปาหอได้ดังพาทาดากันจุดที่ตายกาภาคตายละจากเมืองคน ก่อเอาตนไปเกิดในกำเนิดนาหน้าต่างภาษาต่างห้องตามไฟของกานิ่งหมายกอมีหันแลยนาตามทางประกาศเซนตัวศรัทธาศรัทธาอันว่าพระสัพพัญญุยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสานาวะปัญจสุกมาเรสุเจตโกภากิโกเปียโกจะโตดังนี้เป็นตนเพก้าเวดุราพิโกตั้งลายอันเป็นสายอริยญาติเจือนักพาธรุงยานส่วนกุมารตั้งห้า อันเป็นกำผ้ามานดาตุกเครื่องกากังแกนท่มท้งแน่นวันคืนใจเมาวื้นเอาไม่าธนาไว้ไพมันแล้วปะกันตั้งหมูเป่าลงสู่วางบนยกเอาตนตัวเก่าตานแก่เตาปูปากันมารด า, ามวยมากงก่อสมไฟอ้างคนิ่งใน ต่างขนไปบังเกิดในกำเนิด น, า, นา้าต่างภาษาต่างเขตตามใจเจตขานนิ่งหมายกุมมานใจปีเก้าไปเกิดป่าเศร้าดงนาเป็นภากยาเสือนใหญ่ในป่าไม้หิมมาพานมีปริวานหลายแหล่นับบอแป้ดีลีทรงฤทธิหลายหลาก ตามใจหากกนิ่งปองปีทวนสองไปเกิดในกำเนิดนาคาได้เป็นพญ า, าแห่งนาคเตจจมาเกเือพามานอยู่สำรานเลิศแล้วในภาสาดแก้วใสสีปรีวานมีหลายหลากอยู่ผู้หากอาสาปากันมาแวดเฝ้าทุกคำเจ้าวันยาม หัวทวนสามนั่นใสเกิดเป็นหุ้งใหญ่เจียงคานในหิมมาปานป่าไม้ที่จิมไก่ไก่ลาดกิริทารงฤทธิเอกองังอาจกินจ้างปังป้ายมีปริวานหลน้อยใหญ่รับคมใจสัปปะการจักกินจ้างสารแรดซูอันมีอยู่ในดง ตั้งขวายปงหัวเถื่อนจริงงจอกเปื่อนมาในนกใดไพรสะสูพร้อมตั้งหมวกกวางฟานปริวานขามใจย่อมนำมาฮือได้จูอันอัน สวดน้องจอมควันทวนศีบุญจงจี้นำไปกันดับใจความนาไปเกิดจันฟ้าไปปนเป็นเทวาบุตรตนวิเศษหูแจ้งเหตุเร็วไว พอหันไก่ต่างห้องพับไข่ต้องเบื้องบนพ่อเบือง้นลุ่มไตหันเสียงไข่ยิงใจตั้งสัต์ลายน้อยใหญ่ล็งหันใดดีลีอยู่สำรันดีบอกขาดในภาษาตัคำแดงนางฝ้าแฝงแวดเฝ้าอยู่คำเจ้าเจยบาน ส่วนกุมารทวนหาอันเป็นน้องลาสุดปลายก็สมมายไฟห้อยไปเกินเปไปเกิดเป็นแปะน้อยคำแดงในหงแขงเมืองกวาง มีจงอ้างว่าปันธุมาติราธานีคนงามดีห้อยน้อยเป็นดังซอยสายค้ำคนน่านำได้หูไหลมาสู่ตั้งวันต่างปะกันเหล่าเศร้าไข่เขตดาวเวียงใจก็มีหันแลยนะ ธามาทังปะกาเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาอันวาสั ป, ปัญญุตนผ่านเพวผาเปลแล้วยังหมู่มวลมานหันอัาดิทานไปแจงพระจริแสงเตสนาวาตาตาปันธุมตินากเรเอกโกคาฮาปติดังนี้เป็นตน้น เพีเข้าเวดุราภพกูตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้าทุกคำเจ้าภาวนาตาตาในกาลนันใสในเมืองใหญ่ปันทุมติราชานี ยังมีกะหาบอดีคนหนึ่งเล่าหากแก่เท่าจะรามันอดสาเลี่ยงไว้ยังแม่แปะใหญ่ตัวงามคนมาทำแหลกซื้อมันบ่หือและขายยามพันภายจาก้องก่อเรียกร้องตัวไปแปะเตรียมใจตัวใหญ่ดังหูไข่กำคน ยามนั่นหนอพระตาสะปุนกัมพาคือน้องลาสุดปายกันจุดีตายมวยมาง ก, กังแม่กวางวังวนก่อเอาตนไปเกิดเป็นลูกแปะตัวผาเสดงามตา ตามผาธานาตั้งไว้บ่อหอนใดพิษพันกาบอดีหันจื่นสูเหตเป็นแปะปูตัวปีลักคณาดีพัมพอม <c oughs> หนดังยอมคำแดงยามเล่งแยงบ่อกายปอลืมย่ายถอยห่นจุ่มหมูข้นไก่กันหูไข่ขีญา้า กันมาพ่อก้อยตั้งใหญ่น้อยนิงใจามาหลวงลายบอกขาดลายเจือจาดปันปวงดังมีป้อยหลวงปังใหญ่มาแวดไกให่ใหญ่ต่างใจไมยใครพ่อเฮือแจ้งต่อตาตนเขาจูคนหันหลากต่างออกปากอัศจรรย์ว่าบอกเคยหันแต่ก่อน เจนปูมอนปีตาแต่ตัวนีนาะผาเสดมันมาเกิดเป็นกุณเปื่อกกำลุนยังเจ้าฮือมุนมังเต้าธมนา พ่องพอแต่ตาบ่อแล้วขอลูกแป้แก้วคนคำพ่องมีเงินนำกตือก็ขอถามซื่อเอานี้ก ะ, ะบ่ดีผู้ใหญ่บ่หันแต่ได้เงินคำ ก็ใค่กำตอบทอยว่าเป๊ะตัวน้อยคำแดงข้ารักแปงแต่เล่านิ่งกว่าลูกเต่าในตนย่อนบุญกุศลแต่ไทยจริงเกิดได้มีมาแม่นข้าเครื่องกากันยากตกลำบากสันใดก่อจักอดใจเลี้ยงไว้บ่อาจขายได้ดีลี กาบ่ดีผู้เท่าแต่ก่อนเก่าข้ากุลเข้าของบูลหลายหลากเงินคำมากท่มนาไปลุ่นมาเมื่อซอยได้ตกถอยตารนลูกเมียตนดีจาก ข้าของหากบางตาเตา้าบ่อลาสาผามาดบ่อละขาดตั้งบุญหฮือตันนุนเข้าน้ำบัดดุพัมตามมีเอาตอนนี้จากบาปอันฮึกหยาบจังไรเต้าอดใจคำเจ้าตัวตามแบบเบากองทําบ่อเมื่อ น, นำสักกากสามปีหากเป็นธรา แม่แปะเลี้ยงมาแต่ก่อนก็ได้ลูกอ่อนขนคำย้อนบุญนำจวยกำจะคือหลวงลำเครื่องขี่ตั้งแต่แปะตัวดีพาเสด ไดยบังเกิดมีมาจากคิดตาดาไฟหอยยังการใหญ่น้อยได้ได้ย่อมสมใจไฟอ้างบ่อวิตว่างเสียสูนเข้าของมูลหลายหลาก เงินคำมากถมนาสั ป, ปะโพกาเครื่องใจมีพ้อขยจูอันอันก่อกองกันได้แลดูตั้งแผเตตานลวดป้นตุกผ่านกันยากป้ <c oughs> นลำบากเครื่องขี่ได้เป็นดีมังเต้ายิ่งกว่าเก่าปางหลังก่อมีหันและนะ่นา ตาตาในกาละนันไสตนเต้ตาไทยผาปารามีราจธติดาหยอดซอยตังใหญ่น้อยเจดนางรวบกิ่งบางสะอาดวันนวเวลาเสมอกันสลีสุพันน้องลามีจิว่าวิมาลา พระพิตาป่อเต้าฟูผับดาวเวียงใจข้าดิ่งใดคำเจ้าว่าเราบ่มบีลูกเต้าเป็นใจอันจักสืบสายแตนแตนเป็นลักกันแกเมืองโยาทาเรื่องภัยน้อยหายตำก้อยเครื่องกามิแต่ที่ดาอาข้าจักนั่งแตนเต้าสันใดสายวงใหญ่หนุ่มเทา กวรจักเป็นเจ้าผางกาเล็งพอหาเสียงไขหาบ่อไ ด, ด้ดีๆคนในโลกีไปเตียงย่อมความเหยียงแพ่พันกันเราดับพันดวนสันบ่อตั้งมันยาวไปโคงเวียงใจใหญ่กว้างเตียงบ่อมีเจ้าจ้างเสวยสีเจ้าปุรีไพราตังอามาตเสนา เสียงเววาเยาเหยื่อเกิดความเครือโกระหนจุมรีปนต่างดาวอันหาเท้าจบทองตีมาปองรบพับเก็นขานาประวีเอาเจ้าปุรีไผ่ไตไปเป็นข้าใจเมืองมันกวรเร็วปันตกแต่งตามปิมแปงเดิมมา คือที่ดาจูผู้ใดมีกูเตรียมคิ้งไว้เปิ่งปิ้งป้ายนาคือไพ ฟ, ฟ้าเย็นใจคือเคอยคนใดนั้นเล่าบอกว่าเคยเก้าเคยปาปริดที่ลายกว่ามูชาลาดรูจบทองอยังรีดกองแบบเบารอยรีดเก่าโบราณหูชะนานชาลาดยังสิปัาสาทนานา จักอุตสาพิเศกอติเรกมงคลเฮขึ้นแตนตนกูเต้าภาพแผ่นดาวเวียงใจกันข้าดิ่งในเมียนแล้วเต้าตนแก้วฟูบบานก่อเฮเต็มสารรีภาวไปถึงเต้านานาว่าปัตตภพญานยศใหญ่ภ า, า, า, ภาแผ่นใต้ปันธุมตินกร ยินอาวอนใจจอดไข่ได้ยอดเคยเมืองผู้มีเตจะาเรืององอาจจบชาลาสปาสิบ ป, า, ปาเพื่อเป็นพญานแต่นแตนฮือมันแก่นไปนานกันตาโอผู้บ้านที่ราดหรือคุณหาวหาดอุ ป, ป ร, ราชาหรือราชาบุตรานุ่มเนาแห่งเต้าเจ้าเมืองใด ยินมีใจไฟห้อยยังสาวอ่อนน้อยโซภาราจะทีดาอเข้าจุงไปสู่ดาวเมืองตู่จะคือเจ็ดบุญจูยอดซอยเหลือกูห้อยตามใจกันเคยคนใดอาจกาจบแจงกว่าเจ้าจุมเราจักจุมนุ่มอามาด สังภาจาราตโยธาแล้วอุตสาภิเศกอติเรกมงคลเฮือแตนตนเราเต้าภาพแผ่นดาวปุรีกันแต่ดีเมียนไขก็อฮือคุณใหญ่ตูตาการนำราชสานดวเฮาวไปถ้าวายแก่เต้า น, านานาก็มีหั่นแนนา เทราจาโนสวพระญายดย้าวาพาแผ่นดาวเมืองไก่พ้องมีไว้หนุ่มเน่าพ้องแก่เท่าจาราพ้องเป็นบุตตางุปราชจบชาาดลายพาการกันหูราจาสารนแจ้งทีตังใจกีสมมนัสตาตัางพาธนาใขา่ใดยังสาวนอไทยบุญเรือง วังเป็นเคยเมืองอาการาชนั่งพาซาเซเวยซีเอาสองปุรีต่างเตจเข้าเป็นเขตเมืองเดียวต่างรีเพรีวดวนหาว้าถ้ารงเกื่องต้าโอเจียงคานผาดับอาลังการหลายสิ่งย่อมการยิงเปล่งแป้งแล้วเล่งแยงตัวเก่าหวางามดังเต้าเจ้าอินตา สาวแลมาหันหนาใจเตียงปันบามาวนพันเมื่อตนจองไว้บห่หอนได้สังกาพ่องกอตาหมุนแป้งแสเสกบนแทงตามราย ตั้งน้ำมันพายตั้นอวดน้ำมันอวดลายอาจารย์ว่าเจียงคานกุณมากเอาตาปากจะใครสาววันไวน้อยใหญ่อยู่บ่อใดตวยมา พ้องใจะกะถากดแขดใจยันแฝดติดตนพ้องก่อหมุนยันหนีเอามือบีบตัวยไปแล้วจากใครเกาท้อยส า, อาวอ่อนน้อยปิญาพ้องจะรักแกเถ่าบอเกิดเล่าถึงตัวผมยังหัวปงงอเขียวล่อนออกไปลายตามตัวไลเป็นดอกยังสกอกมายา มีตันหาบอผนไข่ได้ดางอ่อนสาวจีเครื่องเต้ามีบ่อไวพัดดับเสียงคว่จูอันอันมันพอตัวมันนั่นเล่าว่างงามกว่าคนหนุ่มเน่าเหลือลาย ยามพันภายเตียวยางดังวอกกังในดงกันเจ้าหออคงน้อยใหญ่ดาแต่งไค่ตามไรกอยกรีปนลายกะภาคออกไปจากเมืองตนต่างเรร้นรีภาวต่อเต้ารอดาวปันธุมาติดากอนกอมีฮันแหลนา เตสุอากเตสุปันทุมติราชากันพาญาตั้งลายน้อยใหญ่มาพ่อมไขยบัวระมวลกาละกวนมารอเต้าเจ้ายอดปันธุมตินาคอนปอสลีบังอ้อนอ่อนน้อยงามจื่นจ้อยเจ็ดนาง ก็ได้วางปงขาดเถือเต้าทีิราตั้งลายมานั่งใหญ่ๆมวลหมู่พ้อมดาอยู่โรงกันแล้วไขปันบอกเล่าฮือหูเก้าขีญา ว่าจะคือราจาทีด้านยอดซอยมาเลือกกู้หอยตามใจกันสีนงไว้หนอไทยเอาดอกไม้ยอดถายแก่เต้าบุญไผยต่างนาบอกว่าเจ้าฝ้าเมืองใดจกมีวันไว้หนุ่มเนาหรือแก่เท่าจารายอมสัญญาไม่รู้ว่าจักใดเป็นกูด้ดี ใครไขว่ตีจบจอดเต้าเจ้ายอดทอจันก็ภายพันไว้วงเข้าสู่ห้องหอนหนไขรกำไปบอกเรา <c oughs> แกลูกเต้าเจ็ดนางวาดุราสตรีกิงบางน้อยนอจุงฟังป่อไขรจ่าอุ ป, ปามาเปียบไว้ดังไม่อยู่ไกลวังทาน ป, อ, ปอนานเดินจ้าเตียงล่มลงตาวังวนปอจักผูกตนลูกจันทฮือเตียงมันยาวไปจักสำรานใจหลูกเต่ายามปอได้เข้ามารณาเฮือธีดาจู่พูจุงไปเลือกูกแปงปิ้งกันขานิงไฟหอยยังเตา้าใหญ่น่อยเมืองใดจุงเข้าไปตีไก ยืนดอกไม้ยอดถายสัญญาใบฮือหูว่าจากใดเป็นกูเตรียมคิงไว้เปิงปิงป้ายนาฮือภายฟ้าเจยบ้านข้อสีนงคานลูกปอจุงใจหมอไปปันสะลีสุพันอาข้าวฟังปอเต้าปันหมายนินอับอายหลยแหลบจ้างแก่สันได กันบอกไปตามกก่าวปอเตียงโคทา้าเครื่องกาจักคือโท้าวกน้อยอันใจถอยจังไรจับยับไปคำาคาให้ความนาเป็นผีเจ็ดชมสีน้อยหนาร้อนไว้มาทปานไฟหัวใจไวสะต้อนบังบูรอนตั้งกิ่งเจ็ดนั่งยิงปีน้องก็ อ, ออกจากห้องไปใน กเอยกาไก่ใหญ่บาดถึงห้องราดตรงกันอันเจ้าหอจันมวนมูมาฟ้อมอยู่ใหญ่ยก้อพันภัยเตี้ยวยางไปตามวางกองตาง ขอเจ้าหอควางใหญ่หน้อยนับอ่านร้อยกระดานะส่วนพ้ายาหนุ่มเทาหันเจ็ดนอนเาน า, นารีชมงามดีวิลาตปัณนะอาจเหลือคน ก้อยย่ายตนเตียวต้องมาตัดจ่องกองตาต่ง า, างผนะาธนาไข่ใดมั่มมึกไวในใจฟองสวาดมุนใจวิเศษตามสวัสดทาด้าเพิเฮียนมา มีนานาต่างต่างตามตันอ่างยอคกุณสาริกานุนช่วยกำหนูกินน้ำดมแมวต่างยันมัดเอวพัดแว่ตามกดแควดเฮียนมาเปือหือเสาโซฟาหยดญ่ ยืนดอกไม้ปั่นตนเต่าสวดมนต์เป่าจอยบ่อสมไฟหอยคันิงไายย้อนสรีนงไว้ยอดใหญ่บ่หมักไฟสิเนหาตาอกและตาสั้นพออาอยนาตอบาดเดียวแล้วใหญ่บาดเตี้วนี่กว่าพอเจ้าฟ้าทัดไปต่างมองใจหลายลาขึ้นแล้วหากอายคน ให้นำตนลีซอนนี่จากบนโรงกันเจดสี่สุพันน้อยหนาดก็แอน่ใหญ่บาทเตียวไปพอเจ้าห่อใจน้อยใหญ่พับเสียงไข่ห่อควางหกหญิงนางผู้ปีเล็งสั้นทีเบ่งตายังลูกพาญยาดยอดหญ้าผาแผ่นดาวเมืองใด ก่อเข้าไปตีไกยืนดอกไม้ยอดถายคนตั้งลายมวนหมูกาอันอยู่โรงกันต่างปะกันหัวร้องสัดันห้องห่อใจส่วนสีดองไว้นองลาอันมีจื้อว่าวิมาราพอพานาหนุ่มเทาอันเป็นเต้าเจ้าเมืองไก่บ่อเพิงใจสักกัด พอแล้วหากปุ้นจังใจบ่หวังใครใดเอามาอยู่ไกลเตรียมตนจริงถอยหนนปิกปอกไหวน้าออกขึ้นมาแล้วทุนสาขับไปบอกบอตาวไทยตามมีก็มีฮันและนา อาถาโอราจาเมื่อนั้นพญาปันธุมาตียศใหญ่นินโคดรหม่ผ่านไฟเต้าแปลงใจตั้งมันอดเยืนกันขันตีบอกไข้วาตีดาวาหยังลูกลาคิงพายเต้าดักอยู่ได้กว่าจอยแปลงหน้าจื่จจอยเจยบ้านแล้วมีองค์การรีพาว หือ้ร่องเป่าเสนาตั้งผาจาไฟราตั้งอามาตคนในตั้งเจ้าหอใจมวนหมูอันมาพร้อมอยู่โรงกันรีบอุ่นงั้นกินแขกตามเกาแรกเดิมมาหือหกทีด า, าข้าวกับหกดอเต้าเมืองไก่สืบสายไงก่อเกือ เป็นจากเจือเคยเมืองเฮือรุงเรืองเตียงเต้าตามรีดเก่าโบราณกันปรีโยสารเมียนไข่เต้าน้อยใหญ่ตั้งหลายอันบ่อสมบายไฟหอยบ่อได้สาวอ่อนน้อยโซฟาก็รีบอำลาขึ้นสู่ยังตี้อยู่ให้มันก็มีฮันแลนา ตาโตปารังทัดดันไปบอ่อจ้าตนเจ้าฟ้าผู้ทอนยินอาวอนบอ่อเล่วยนลูกแก้วสายตาวิมาลาสุดส้อยบอ่มีกูหอยเดียวได้ว่ากันกูตายความนาเตียงละลูกลาบองขียง่ยิงบ่มีกูปอง จุมปี่น้องเตียนขวันคนป้ากันยอดย่อ่วะยิงถอยไรจังไรยามหนาวไหนเหม่ยใครไผจักอยู่ไกลรุมราจุมบงสาวปีน้องเต่ามาสู่ห้องจะทำจักงมซ้มลูกเนื้อสักผ้าเสื้อขัวใบแต่งปัจจัยเข้านำฮื้อกินเจ้าคำหรือมี เต้ามาแล้วนี่รีบพาวปอกสู่ดาวไผมันกวรเร็วปั้นอย่าจะฮือลูกลานางยิงมีกู่ปิ้งแนบคาง <c oughs> คือสมไฟอ่างข้านิ่งหมายกันกู้ตายจากคลองบ่อใดอ้วงคลองอะไรกันข้านิ่งในเปี่ยนจอดเต้าเจ้าหนอดผู้บ้าน ก็มีองค์การปงขาด อ, อามาตัางตาตีสัญญาเป่าร้องไปไข่ห้องเวียงใจเฮคนไหนอามาตพรถถจะจรัดลวงลาล มันเป็นคนใจจูฟูบ่าว่าอยู่แดนใดจักมีไว้หนุ่มเนาหรือแก่เทาจาราแม่นมีแข่งขาขาดด้วนอง์กะบ่ทวนสามสิบสอง คนปุ่มปองต้องใหญ่คนเงาใบปาลาคนมีตาเมืดบอดบอดแจ้งสอดหันหนหรือเป็นคนชาลาจบสิปัสาาาตร์มนยำคนตัวดำต่ำเตี้ยคนห้อยเปียเสียขาคนอนาถ า, ากันอยากตุกลำบากเครื่องขี้ ตังกาบอดีปอก้าฮือมาพร้อมนาจอมกันด้วยเร็วปั้นรีพาวจอดอยู่ดาวลานหลวงคนปันปวงไ ก, ไก่หัวแจงไขสัญญาต่างสมมนัดจาลายหลากจูผู้หากัานิ่งหมายว่าตัวบุญหลายกว่าหมูเตียงได้อยู่เป็นเคย แล้วหลวดเลยเป็นเต้าภาาแผ่นดาวปาราจิงปลากันมามวลหมูพร้อมได้อยู่สับปันก็มีหันแลนะนากันคนใจน้อยใหญ่มาพร้อมไข่บัวระมวลกาละกวนมารอเตา้าเจ้ายอดผู้บ้านก็มีราจจะองการปงขาด บอกนางน้อยนาที่ดาว่าบัดนี่ใจนานามวนหมูอันมีอยู่เวียงใจป้ากันไหลมาคอนอยู่เต็มบนสนามนางจุงจ้ำไปพอเฮือแจ้งต่อสายตากันสีเได้หาไฟหอยยังใจใหญ่น้อยคนใดจักมีไวหนุ่มเน่ารือแก่เท่าจรา เป็นลูกพ้าจ่าไฟราดลูกอาบาดเศรษฐีรูปงามดีสมส่วนหรือปั้มอ้วนปุ่มลามพอบอกรามผังไรหรือเป็นป่อไม้เมียตายป่อบ่อไม้ห้ามขาดกันลูกน้อยนาดปีญยาจุงนำมาเป็นกูรวมซ่อนอยู่หอไหนฮือสมใจแห่งปอ อันกือต่อนานานังลงคานดอเนาฟังป่อเจ้ากุนนามีอาญาปลงขาดก็บอกอาจขืนกรรม เป็นตกน้ำลายลากึดแล้วหากยินไอจากมัดข้อตายมวยมางตี้จิมขางจองนอนก่ออาวอนกึดรอดถึงป่อแม่ยอดสองขา ในรุมราเลียงไว้บ่อตันใดแตนกุนบาปจากนุนติดต่อทมปานปอตวยไปจิงตัดใจป่งขาดปานางนาฏัญญามีนำนามวนโมไปเป็นกูจอมตนก้เอยเตี้ยวหุ่นย่ายบาดจากพาสัดลงไปก็มีวันนั้นเลยนะ นิเ ท, ทตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณะแปลคำผูกทวนสีปางพญ า, าจีปงวางหืสีกิงบางลูกน้อยเลือกกูหอยเตรียมคิงจักสมขาดิ้งไยอ้างหรือวิตวังเสียทรง ตะวันลงบายใจพ่องไข่ไงเมือเฮือนย่อนใจเฟื่อนบ่อตั้งเราจริงข อ, อยั่งเป็นขา้าวก่อยฟังแนวนาวไปนาผูกทวนหายัางมีก่อบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล